พีมีเพียงพอไหมอยากนั้นกับเงินในธนาคารของเรามีเท่าไหรแต่ก็เราไปถึงประเทศนั้นเรากดบัตร ATM ของเราเรามีเงินในธนาคารเพียงพอไหมหรืออยู่ยาแก้โรคไภัไข้เจ็บของเรามีพอไหมร่มของเรามีไหมเวลาฝนตกอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ถ้าหากว่พวกเราได้คิดก่อนเดินทาง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 ที่มีเสือที่มีสัตว์ทึกด้วยว่าที่มีผีที่ผีดุอ่าชาวบ้านก็บอกว่าตรงไหนผีดุอ่าท่านจะไปภาวนาที่ตรงนั้นอ่ะคือทําให้ทําให้จิตใจของท่านไม่คิดออกไปข้างนอกเพราะว่ามันมีอันตรายรอบด้านใจของท่านจะสัเข้าสู่ความสงบท่านจะให้อยู่กรรมฐานไหนใจของท่านจะอยู่ในกรรมฐานนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่เชื่อให้ทดลองดูสิ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 น่นแหละใช่ไหมพ่อแม่ยูกับพุทธโธเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าให้ไปอยู่ในที่สถานที่กลัวๆจึงภาวนาในเมื่อเราไปอยู่สถานที่กลัวแล้วเราพุทธโธพุทโธพุทโธใจเพราะเรากลรวสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งในเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร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 ของลวงปู่ปูณของพวกเราบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแบ่งสันปันส่วนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้มาบอมเพนหรือบอมเพ็นณสถานที่ใดก็ตามบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือใจของเรานะั้นเป็นคลังเป็นคลังของบุญและเป็นคลังของบาปถ้าเราทากรรมชั่วความชั่วความชั่วจะเข้าสู่จิตใจของพวกเรา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 ต่อมาก็จะแต่งงานสืบสันติวงศ์ครองกรุงกรุงกบิลพัทต่อไปแต่ทีนี้ยังไม่ถึงครั้งนั้นพระพุทธองค์เขาเพศพนันทะกุ ม, มารก็ได้บวชต่อมาพระเจ้าจุโถธนะพระบิดากรสวรรคตต่อมาพระุทธองค์ก็ได้โปรดพระลาหุนในชงที่ปวดพระลาหุนคือบุตรพระพุทธเจ้าพระลาหุน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 กบพลเอสุก็เลยออกจากเวียงวันวังไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับนางพิกษุิแต่ยังไม่บวชนะทนเานพอไปอยู่ต่อมาแล้วเกิดแม่ก็ให้บวชบวชเป็นพิกษุลินางก็เลยบวชแต่นางนไม่อยากจะบวชเพราะว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าท่านตำหนิร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เสร็จสวยงดงาม เ, เต็มไปด้วยของอตุภะปฏิกูล ของปฏิกกลไหลออกจักตักจากวานทั้ง9ก้าคือขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ปากขี้ฟันขี้ไข่อุดจร ะ, ะปัะศวะล้วนแล้วแต่ของปฏิกกลไหลออกจากขวานร่างกายนี่เป็นของไม่เสร็จสวยงดงามแต่นางรรปะนันธาที่เป็นพระน้องของพระพุทธเจ้า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 ฟังธรรมเทศนาในวันนี้คือพระองค์มีญาณรัศนะคือชาดเนี่ยเอ่ยยาณรัชนะใครเวลาอย่างพุทธบริษัทมานั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้พรธองค์ขึ้นนั่งบนอาชนะรัต ก, ก, กวาดยานรัศนะกวาดสายตาดูใครวันนี้จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลใครจะปลามาท่านบ้างแต่ใครจะได้สําเร็จระดับระดับไหนเป็นพระโสดาบันหรือเป็นผู้ยึดพระไตราสนารนคม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 หญิงสาวคนหนึ่งสวยงามมากนั่งอยู่ข้างๆเอ่ยยังนั่งอยู่ฝั่งข้างพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกับถืองานพัดคล้ายๆว่าถือตระปัดพัดพระพุทธเจ้าเอ่อยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าหญิงคนนั้นสวยงามจริงๆพอนางรูปานันธามาเห็นหญิงคนนั้นล่ะก็มองมองเห็นตนเองเองเอ่แล้วก็มองไปหาไปดูหญิงคนนั้นอีกหญิงสาวคนนั้นอีก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 นี่แหละอันนี้ก็คือบทหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อได้พู ด, พดว่าไคายะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ที่นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะเหตุใดเพราะว่าร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งไม่รู้จะวันไหนลต่อไปภายภาคหน้าข้างหน้านี่ไม่รู้จะวันไหน